คือที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าในระยะสุดท้ายผู้ป่วยที่ใกล้จะตายเนี่ยเขาก็จะประสบกับทุกขเวทนานะอันนี้เรามองในแง่ของจิตในแง่ของร่างกายเนี่ยก็จะเห็นว่าระยะสุดท้ายจะเป็นด้วยความอีกขั้นเพ้าะความเกิดความป่วยแต่ว่าในด้านจิตใจเนี่ยมันก็มีกระบวนการอีกอันหนึ่งนะที่เกิดขึ้น นะซึ่ง อ, อย่างที่เราจะพูดกันว่าอาจจะเกิดนิมิตขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกรรมนิมิตหรือว่าคตินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งนะแล้วก็ในกระบวนการดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะนอกจากจะทําให้นอกจากจะมีผลต่อจิตใจแล้วเนี่ยก็อาจจะมีผลต่อภพภูมิหลังจากที่สิ้นชีวิตไปแล้วด้วยตามคติของชาวพุทธ แต่ในรายเดียวกันนั้นเนี่ยมันก็มีจิตเนี่ยก็มีสเปรยภาพหรือมีแรงแรงส่งที่จะไปในทางทุกติหรือสุขติก็ได้และแรงส่งนั้นเนี่ยในบางกรณีก็มากสามารถที่จะพาไปสู่การหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้นะท่ามกลางความทุกข์นะโดยเฉพาะผู้ที่สามารถจะหลุดพ้นในภาวะนั้นได้เนี่ย ก็พราอาศัยความทุกข์ที่บีบคั้นนั่นแหละเป็นเป็นเป็นเชื้อหรือเป็นอุปกรณนะ์ถ้าหากว่าวางจิตวางใจเป็นคราว น, นี้พอพูดถึงเรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยสุดท้ายเนี่ยในในบายนี้เนี่ยเราจะในเรื่องการช่วยเหลือทางจิตใจนะการช่วยเหลือทางร่างกายอันนี้ก็เดยนี้ทางแพทย์เนี่ยก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการประคับประคองมาก หมายความว่าจะไม่เน้นเรื่องการยือ้อถ้าหากว่าเป็นผู้ป่วยที่หมดหวังหมดหวังในที่นีหมายถหมดหวังที่จะหายแต่ว่าไ ม, ไม่ไม่หมดหวังในทางที่จะพบกับความสงบเมื่อหมดหวังที่จะหายเนี่ยก็ไม่ยื้อแล้วนะแต่ว่าใช้วิธีประคับประคองเพื่อให้เพื่อให้ไปอย่างสงบหรือเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีหรือเพื่อที่จะได้ได้อยู่ร่วมกับครอบครัวแล้วก็สามารถที่จะเยียวยา ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายตอนะนี้ในเรื่องการช่วยเหลืทางจิตใจเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงคําแนะนําของพระพุทธองค์นะฮะที่ท่านแนะนํอาอุบาสิ ก, กาว่าเวลาจะไปช่วยเผู้ใกล้าตายนั้นทะ่านก็จะแนะนำคล้ายๆกันคือมีพระสูตรที่จัดถึงเรื่องนี้อยู่หลายครั้งจะพูดแนะนําคล้ายๆกันางคืนหนึ่งให้ระลึกถึงพระกันนะจัยนะฮะ แล้วก็ให้น้องนึกถึงแล้วก็มีความมั่นใจในศีลที่ได้บําเพ็ญไว้อย่างดีแล้วก็จากนั้นท่านก็แนะนําให้ปล่อยวางนะสังขารเป็นปึงความไม่เที่ยงของมันรวมทั้งปล่อยวางอยากที่ท่านให้พูุทธนำไปรูปธรรมก็ปล่อยวางเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องคนรักและแม้กระทั่งปล่อยวางภพภูมิที่จะไปหวังจะไป ไปเกิดข้างหน้าก็คือว่าปล่อยวางแม้กระทางสวรรคนะ์เพื่อที่จะเป็นปัจจัยสู่พระนิพพานโดยตรงอันนี้ถ้าพูดแบบภาษาสมัยใหม่เนี่ยนะก็ซอยได้มาเป็น3ขั้นตอนนะอันที่1ก็คือการน้อมนึกถึงสิ่งที่ดีงามการที่น้อมนึกถึงสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ดีงามนี่ก็มี2ออย่างก็คือว่าสิ่งดีงามนอกตัว สิ่งนี้งานักตัวก็ได้แก่พระรันตนตรัยเป็นต้นหรือว่าสิ่งที่เรานับถือเช่นศาสดาพระศ า, าสนาหรือพระโพธิสัตว์ที่เรานับถือนะรวมทั้งครูบาอาจารย์ที่เรานับถือที่เป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาคือเมื่อ น, นึกถึงแล้วเนี่ยจิตใจเกิดความเปิดติเกิดความชื่นบานเกิดความมั่นใจอบอุ่นใจซึ่งจะช่วยทําให้ ในยามที่ทุกขเวทนาบีกขันเนี่ยแทนที่จิตมันจะไปจดจ่ออยู่ทุกขเวทนาอย่างที่เราทราบอยู่อยู่แล้วว่าพอเวลาเกิดทุกขเวทนาเนี่ยมันจะแรงขณะที่เราดึงดูดจิตให้ไปจดจออ่อตรงนั้นถ้าจิตและยิ่งจิตยิ่งไปจดจออ่อแล้วมาเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์ที่นี่ไม่ใช่ทุกขแค่กายแตทุกขใจด้วยแต่ถ้าว่าเรามีหรือชักชวนให้ผู้ป่วยเนี่ยเขาเป็นน้อมนึกถึงสิ่งที่ดีงามคือพระธรรตนัดใจเมื่อใจนึก ถ, ถึงสิ่ง น, นั้นเนี่ย ใจก็จะสงบได้ง่ายเพียงแค่การที่จิตถูกดึงออกไปจากความเจ็บความปวดเนี่ยมันก็ช่วยให้ทุล เ, เบาบบางไปแล้วแล้วยิ่งไปึกถึงสิ่งที่ดีงามซึ่งเปที่ตั้งแห่งความศรัทธาด้วยความปิติความมั่นใจจิตก็ยิ่งเรียกว่าสงบเย็นได้ง่ายนะและในภาวะเช่นนั้นเนี่ยก็อาจจะสามารถดึงจิตไม่ให้ไปจดจออยู่กับนิมิตนะเราควรนิมิต เมื่อวานีว้ว่ามันมีทั้งนิมิตทางบวกและลบโดยจะเป็นกรรมนิมิตคือภาพเกี่ยวกับกรรมแนอดีซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็อดไปสะดุดใจกับภาพหรือกรรมการกระทำที่ที่เรารู้สึกผิดรู้สึกโกรธหรือว่าขัดอกขัดใจอาจจะเป็นเหตุการณ์เล็กๆแต่มันสามารถทำให้เราสะดุดใจแล้วก็จิตใจก็ปักอยู่ตรงนั้นจนกระทั่ง ไม่ไปไหนแล้วก็เลยเกิดเป็นจิตอกุศลขึ้นมาและถ้าตายตอนนั้นก็ไปสู่ทุกขติแต่ถ้าว่าเราช่วยให้เขาได้น้อมนึถึงสิ่งที่ดีงามนะจะโดยโดยการพูดจะโดยการสวดมนต์หรือว่าจะโดยการาหาวัตถุที่เป็นที่ตั้งที่แห่งความรักถือนี่มามาให้ให้ปรากฏบต่อหน้าก็ได้นะก็จะช่วยทํำให้จิตนี้ไม่ไปจมอยู่กับนิมิต ท, ที่เป็นอกุศล น, นะ แล้วก็ใจก็จะสบายอย่างที่เราได้บอกไว้แล้วว่าความทุกข์ของคนบางทีไม่ใชทุกข์แค่กา ย, ยมันทุกข์ใจด้วยอันนี้ก็ก็ก็เป็นอันหนึ่งนะฮะหรือไม่ก็น้อมนึกถึงสิ่งดีงามที่ที่มีอยู่ในตัวนะผลตัณตคือสิ่งดีงามที่อยู่นอกตัวสิ่งดีงามที่อยู่ในตัวคือความดีที่ได้ทำนะก็คือศีลเป็นต้นแต่ความดีที่เราได้ทำเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่ว่าเออเข้าวัดเข้าว่า บ่อยแค่ไหนทำบุญถวายสังฆทานบ่อยแค่ไหนแต่หมายถึงการทำความดีให้กับลูกกับหลานหรือว่าการทำความดีให้แก่เพื่อนมนุษย์ในชนะที่เป็นครูในฐานะที่เป็นเจ้านายเราทำความดีที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจนึกถึงที่ไรก็ภูมิใจหรือว่านึกถึงคือเป็นสิ่งที่ทำให้เราสวยชวยเรามีความหมายถ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ย การน้อมนึกสิ่งที่งานมันมีพลังนะมันสามารถทำให้ทุกขเวทนาเนี่ยที่บิดคั้นเนี่ยสามารถที่จะบรรเทาบรงบางไปได้ mm hmm. เช่น อ, mm hmm. อ่เมื่อเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยนะอันนี้ mm hmm. เพื่อนพระครามมาก็าให้ฟังนะว่าท่านก็ไปดูแลหลวงพ่อคำเขียนคืออาจารย์คัตมมาเนี่ยที่โรงพยาบาลจุฬานะนั้นก็ดึกแล้วนะเพราะว่ามีญาติเนี่ยจากญาติโยมเนี่ยจาก ห้องข้างๆเนี่ยมานิมนต์ท่านตอนนั้นประมาณตีสองตีสได้ก็คงจะรู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าหลวงพ่อเขียนถ้าไปรักษาตัวที่นั่นนานก็มีญาติโยมจากจากห้องข้างๆเนี่ยมานิมนต์ท่านให้ไปรักสังฆทานจากผู้ป่วยซึ่งเป็นคุณยายตอนนั้นเนี่ยใกล้จะใกล้จะเสียแล้วแล้วก็ถ้าทางไม่ดีเลยหรือว่าทุรนทุรายนะ แล้วก็ทุรนทุรายแล้วก็เรียกว่าแหล ะ, ระกระตุกนะกระตุกอยู่บ่อยๆนะก็ตามธรรมเนียมนะก็ให้ไปรับสังฆทานนะท่านก็ไปรับสังฆทานจากญาติโยมันนั้นแต่ว่าพอท่านเห็นอาการอย่างนี้เนี่ยท่านก็สักถามประวัติก็ได้ทราบว่าคนคนไข้เนี่ยเป็นคนที่ชอบชอบชอบทําบุญใส่บาตรทุกวันแล้วก็วันพระก็ชอบไปไป ไปสวดมนต์ที่วัดไตมิตรนะฮะแล้วก็ไปนั่งภาวนาอยู่ข้าง่หน้าพุทธลู อ, อาจารย์ท่านนี้เนี่ยนะท่านก็เลยพูดกับคนไข้ซึ่งตอนนั้นไม่รู้ตัวแล้วนะบอกว่าโยมวันนี้วันพระนะที่ยังไม่ใช่วันพระหรอฮะแต่ว่าก็บอกว่าวันนี้วันพระนะโยมไปใส่บาตรกัน นะอา้าเตรียมข้าวนะคดข้าวใส่ขันเตรียมดอกไม้ทูบเทียนนะโยมแล้วก็ไปเดินไปที่หน้าบ้านซ้ายมือนี่เห็นพระไหมไม่เห็นขวามือละ่ะเห็นเพราะว่าเสดพระนั้งมาทางขวามือระหว่างที่ผูดเนี่ยบอกว่ากลางตุกกระตุกตัวนีน้ก็พนมมือพนมมือแล้วก็ อาการกระตุกค่อยหายไปไอเส้นเส้นสัญญาณชีวที่มันกระตุกอย่างแรงเนี่ยมันค่อยค่อยค่อยลดลงเอาพระมาแล้วนะเอาโยมใส่บาตรใส่รูปที่1รูปที่2อมาแล้วใส่นะใส่พอไปถึงรูกทิศกาลเนี่ยก็สัญญาณชีพ ก, ก, ก็ก็ค่อยสม่ำเสมอนะแล้วก็บอกว่าอตอนนี้โยมไปวัดไตรมิตร นะไปวัตตนิกันนะไปนั่งอยู่หน้าพระพุทธรูปหลวงพ่อนะแล้วก็โยมนั่งสมาธิภาวนาพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเพราะว่าโยมเขาถนัดทางนี้เคยฝึกมา ก, ก่อนหายใจเข้าพุทหายใจโธหายใจออกโธพุทโธพุทโธสัญญาณชีวว่าสม่ำเสมอมากขึ้นนะการกระตุกหายไปพอสมควรแล้วก็ทำอย่างนี้อยู่สักพักเนี่ย ก็เรากัญญนชื่อในสุดก็แบลล่าแล้วก็จากไปในขณะนั้นเองนะฮะอันนี้เนี่ยคือเป็นเป็นเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่เห็นว่าในยามที่ใกล้จะตายเนี่อบางทีแม้ว่าเขาไม่รู้สึกตัวแล้วเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าโคมาเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขายังสามารถที่จะรับรู้ได้แล้วก็สามารถเรียนน้อมนึกได้นะ บางทีเนี่ยไม่ต้องใช้อาจจะไม่ต้องใช้คือบางคนที่เขาไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยอย่างมีโยมคนนึงเนี่ยเป็นพยาบาลก็เป็นลานลักของของของป้าป้านี่ก็อายุมากแกป่วยหนักเนี่ยนะก็ไปเยี่ยมในวันสุดท้ายนะก็ไปไปหายป้าแล้วก็สวดมน์นะสวดมน์ให้ป้าฟังแล้วก็แผ่เมตตา สุดท้ายคิดอะไรไม่ออกก็บอกว่าป้านี่ทําความดีนะทำความดีมากๆเนี่ยก็จะได้ไปสวรรค์นะให้ลองฟ้าลองนึกถึงนะมองไปข้างบนที่ฟ้านะมีประสาทอยู่นะถ้าป้าเนี่ยทั้งป้าจะทําความดีใจก็จะลอยขึ้นสูงสูงสูงขึ้นไปนะไปที่ประสาทนะประสาทนี่มีดอกไม้งดงามนะก็พันานาไป นะแล้วป้าอยู่ ด, ดีก็เงียบหายไปทีรแรกก็นึกว่าเหนือพักบอกว่าหมดลมไปแล้วนะคือคนนี้แกก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะฮะแกก็แกก็นึกเอาตามที่นึกได้แต่ว่า้การภาวนาแบบนี้เนี่ยการพูดนําจิตแบบนี้เนี่ยมันช่วยต่อช่วยช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยเขาใจเขาไปในทางที่เป็นกุศลได้นะฮะ แต่บางทีเนี่ยก็ไม่ต้องมีอะไรมากนะฮะยังมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นมะเร็งเนี่ยแล้วก็เพอสักสามสี่ขวบได้แล้วก็ใกล้จะกระตุกต่อว่าสุดท้ายเนี่ยแกกระสับกระส่ายมากนะแต่กรสายเนี่ยไม่ใช่เพราะความเจ็บอย่างนี้แต่เพราะความอาการหายใจหายใจไม่ค่อยออกนะทุรนทุรายเนี่ยเพรียบาลเนี่ยเป็นเพรียบาลซึ่งดูแลเรื่องเด็กมา แล้วก็คุ้นเคยกับเด็กคนนี้ลูกว่าเด็กคนนี้เนี่ยแกชอบอุลตร้าแมนะก็ขณที่เด็กนี่กลังกระสับกระสายไม่รู้ตัวเนี่ยเบาก็บอกว่าหนูพี่จะพาหนูไปซื้ออุลตร้าแมนเอาไหมเด็กพอเ อ, อุลตร้าแมนนีแกก็ยกมืององเนี่ยนะเ็อุลตร้าแมนเลยแล้วเภบาลก็นาพาเด็กไป อ, อ, นนอ ออไปไปที่ไปที่ร้านกันนะห้างสปปรรพสินค้าระหว่างทางก็แนะก็นําทางไปว่าได้เจอสนามเด็กเล่นไปเล่นกันก่อนนะพยาบาลก็พูดนําทางไปว่าเด็กเนี่ยสงบลงไปเลยนะฮะแล้วก็พอไปถึงห้างสปปรรพสินค้าก็พนันนาว่ามีฮัลโหลจั่วแมนแบบไหนบ้างนะเด็กก็ซื้อสตล์แบบที่ชอบแล้วก็ ได้รู้มาว่าเด็กเนี่ยเคยไปหาหลวงพ่อเขียวพ่อแม่ศรัทธาก็เพยบานก็เลยแนะนาว่าไปหาหลวงพอ่นเนงพอเขียวกันนะก็ไปไปกราบหลวงพ่อเขียวกันนะพูดอย่างนี้20ินาทีเนี่ยเด็กเนี่ยสงบเลยนะแล้วก็ไม่กี่ชั่วโมองหลังนั้นเด็กก็ก็สิ้นลมนะนี่คือเป็นเป็นเป็นเป็นเป็ น, ป น, ป น, ป น, ปนตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้อดตมาเชื่อว่า ที่เราพูดถึงสิทธิในการตายอย่างสงบเนี่ยมันเป็นสิทธิของทุกคนไม่ใช่เฉพาะนักปฏิบัติธรรมที่จัดเกณฑ์แต่คนธรรมดาซึ่งอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานมา ก, ก่อนเลยแตถ่ถ้าได้มีการนำจิตให้ดีเนี่ยศักยภาพของใจในโยตุทุกทุ ก, ทกวิทนาบีบพันเนี่ยก็ยังพอมีที่จะน้อมนิดในทางที่ดีได้มีนะนี่อกาสที่2เนี่ยก็คือการปลดเพื่สิ่งค้างขาดใจอันนี้ยากขึ้นมาหน่อยคนเรานี่มีสิ่งคลั่งขาดใจอยู่ มีความโกรธมีความรู้สึกผิดหรือแม้กรทั่งเป็นห่วงงานการนะบางทีก็ห่วงลูกห่วงหลานนะซึ่งเนี่ยหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือช่วยให้เขาเนี่ยปล่อยช่วยเขาเนี่ยลดเปลื้องสิ่งเหล่านี้ให้ได้บางคนเนี่ยเขาห่วงลูกนะห่วงลูกมีผู้ป่วยมะเร็งคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ย เป็นทุกข์มากก็พยายามบอกให้หมอเนี่ยยื้อให้ไดนะ้เขาจะไม่ยอมตายเขาจะสูนะ้ให้หมอที่ช่วยทุกอย่างโรงพยาบาลก็ไปคุยกับเขานะคุยกับเขาในสือก็ก็รั่เข้าเป็นทุกข์อยู่เรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่มากคือเรื่องลูกนะลูกเนี่ยมผีผู้หญิงกับผู้ชายสองคนเนี่ยก็มีคนเอาไปเลี้ยงในระหว่างที่เขาป่วยแต่แกก็เป็นห่วงลูก แนะพทยบาลก็ไปพูดให้เขามั่นใจว่าลูกเนี่ยของเขาเนี่ยเป็นคนดีนะถ้าไม่ดีนี่ไม่มีใครไม่มีใครเอาไปเลี้ยงหรอกนะลูกทั้งสองคนเป็นคนดีแล้วเธอก็เป็นคนดีด้วยนะอยมั่นใจในความดีของตัวเองมั่นใจในความดีของลูกว่าความดีของตัวอของลูกนี่จะช่วยรักษาลูกไว้ได้เอาพูดอย่างนี้เข้าไปเนี่ยเขาก็สงบลงกขบอกว่า ความถุกเขาหายไปแล้ว 80% แต่อีกอีก 20% ยังทุกข์อยู่คือว่าเขาจะตายสงบไหมนะจะมีใครช่วยเขาได้ไหมแพทยา์าก็ให้กําลังใจว่าเนี่ยจะมีคนช่วยเขาจะมีคนดูแลนะ ค, วความดีที่เขาทำเนี่ยจะจะทำให้เขาสามารถจะตายไปในความดีได้ตายไปกับความดีตายไปในความสงบได้เขาก็สงบลงไปสงบลงไปเพอวันสุพอวันท้า ย, ายเนี่ยหลังนะั้นไม่กี่วันวันสุดท้ายเนี่ย เขาสงบมากนะแล้วเขาคงจะรู้ว่าเขาจะตายเขาก็อัมลาพยาบาลแล้วก็ถอดหน้ากากออกถอดแมกสก์เนี่ยออกหน้ากากหายใจเนี่ยแล้วก็ไปอย่างสงบนะคือมันก็ว่าเขาไม่มีเรื่องค้างคาใจเรื่องความห่วงลูกไม่มีแล้วนะบางคนห่วงห่วงว่าถ้าตายไปแล้วนี่ร่างกายนี่จะทํำยังไงเพราะว่า ฝากเอาไว้มีคนนึ่งพูดเป็นมะเร็งปอดขอมูขมิดปากไ่รู้คือยานี้เอาไม่ค่อยอยูย่ให้ยา ไ, ไปประเดี๋ยวเดียวเดี๋ย ว, เ, ยวเอาแล้วทุลนทุลายไปแล้วปาก็ขมูขมิดขมูขมิดลูกก็มาดูก็เดาได้ว่าแกกำลังพูดเรื่องเชิงใหม่พูดคําว่าเชิงใหม่ก็ไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรนะหมอก็ไม่เข้าใจ ลูกก็ไม่เข้าใจาว่าเชีงยงใหม่เหมื่อไรแต่พอคุยกันสักพักก็เฉเลียวใจขึ้นมาได้ว่าพ่อเนี่ยเคยไปป่วยที่เชียงใหม่ mm. เพื่อไว้ที่สวนดอกแล้วก็เคยอุทิศร่างไว้ที่ที่นั่นก็พอยอดาวได้ว่าแกคงเป็นห่วงมากว่าถ้าตายไปแล้วเนี่ยร่างนี่จะทํำยังไงอยากจะอุทิศร่างกายเยพราะร่างนี่พอ่อป่วยที่จุลานะแต่อุทิศร่างกายที่เชงที่เชียงใหม่หมอเนี่ ย, ยก็เลยบอก กับคนไข้ว่าไม่ต้องห่วงนะทางทางจุฬาจะรับดูแลให้นะไม่ต้องไปถึงสวนดอกก็ได้ทางจุฬาก็จะรับผิดชอบให้แกก็สงบลงนะฮะสงบลงคือคนที่ถ้าเกิดว่ามีความเจ็บปวดทุลงุงทุลายโดยที่ยานี่เอาไม่ค่อยอยู่เนี่ยเวลาสาวไปจริงๆเนี่ยเราจะพบว่าเขามีความกังวลใจบางอย่างนะนะซึ่งความกังวลใจนี้เนี่ยยาเนี่ยบางทีเอาไม่อยู่นะฮะยาระงับปวดเนี่ย แต่พอได้พูดได้คุยได้เคลียร์แล้วเนี่ยเขาปล่อยวางได้นะ <c oughs> อย่างที่พูดบางคนนี่เขามีความความห่วงเรื่องงานเรื่องการนะอันนี้เนี่ยถ้าเราช่วยไปเคลียร์ความเคลียร์ให้เขาเบาใจจะช่วยได้หรือว่าติดข้างคาใจกับใครนะก็ไปช่วยให้เขาเนี่ยปล่อยวางได้นะฮะ <c oughs> อันนี้เป็นเป็นข้อที่2องนะการปลดเพิ่มสิ่งคลัง่งคาใจอันที่3คือการช่วยเขาปล่อยวางปล่อยวางสิ่งต่างๆคือบางคนเนี่ยจะไม่มีสิ่งอะไรคัง้งคาดใจนะแต่ว่ายังมีความยึดติดอยู่นะียึดเลยเพราการยึดติดในชีวิตหรือว่าการยึดติดในบางสิ่งบางอย่างถ้าเราช่วยเขาปล่อยวางได้นะอย่างที่เราได้ทําภาวนาเมื่อวานเนี่ยการเจริญมรณะสติปล่อยวางสิ่งต่างๆนะฮะ เรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องคนรักนะเรื่องงานการรนะวมทั้งการปล่อยวางไอเรื่องความยุติในตัวตนซึ่งเป็นซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นจะเป็นเรื่องที่นักปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเข้าใจนะถ้าเป็นคนป่วยก็จะสามารถที่อธิบายหรือว่านำทางไปให้ลึกได้มากขึ้น อ, อันนี้เนี่ยก็จะก็จะทําให้การไปเนี่ยไปอย่างเบาสบายได้นะฮะ ยัมีคนป่วยยังมีเพื่อนอาตมาคนนึงเนี่ยแกก็เป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วป่วยเป็นมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมแล้วก็ระหว่างที่ป่วยเนี่ยก็ก็รู้นะว่าเอกก็ยอมรับว่าถึงแม้ว่าป่วยก็จริง <c oughs> แต่ว่าชีวิตนี้สงบเย็นมากจิตใจสงบเย็นมากแกเคยบอกว่าช่วงที่ป่วย2ปีสุดท้ายมีความสุขมากกว่าช่วงที่มีชีวิตก่อนหน้านัา่นสิเมื่อปฏิแต่แตกันเนี่ยก็ บอกว่าเนี่ยเรื่องความโกรธเนีย่ยลดไปเยอะแล้วนะเรื่องความเรื่องความอยากเรื่องความโลภนี่ก็ลดไปเยอะแลโลภและโกรธ เ, เนี่ยมันลดไปเยอะแล้วแต่สิ่งที่มีมอยู่ความหลงหลงในความยึดติดอันนี้เราก็ช่วยเขาได้ได้ช่วยเป็ี่ยนจังใจเขาเนี่ยปล่อยวางเรื่องความยึดติดในตัวตนนะซึ่งก็ทําให้ใจนี่เขาสงบลงไปได้ทําให้เขามั่นใจว่าแม่ในภาวะเช่นนี้เนี่ยก็สามารถที่ เทียปิดเปลืองหรือว่าปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้นี่คือ3าประการเนี่ยเป็นเป็นเป็นแนวทางหลักๆแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยจะได้ผลนะจะต้องเริ่มจะต้องเกิดจากความการยอมรับว่าเขาเองกําลังจะกําลังจะตายเขาเองกําลังอยู่ในข้อสุดท้ายคนป่วยจํานวนมากถูกปิดบงังไม่ให้รู้ว่าเขาเองใกล้จะตายแล้วเมื่อเขาถูกปิดบงังไม่มีใครบอกความจริงแก่เขา เขาก็ไม่ได้เตรียมตัวแล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเรื่องลึกๆของเรื่องลึกๆแบบนี้ให้แกเขาเพราะถ้าพูดไปแล้วเช่นมาปล่อยบอมบี้เขาปล่อยวางบ๊อบบอยเขาปลดเพื่อสิ่งข้างคาใจก็กลัวว่าคนป่วยก็จะรู้ว่าเขากำลังจะตายก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าสั่งเสียไม่กล้ามาอําลาเพราะกลัวคนป่วยจะรู้ความจริงนะก็เลยกลายเป็นว่า ขาดโอกาสที่จะได้พูดในเรื่องที่จะช่วยทําให้เขาจาับใงสงบไดนะ้เพราะฉะนั้ในเรื่องการทําให้การยับการทำให้เขายอมรับความจริงว่าเขากําลังจะอยู่ในโลกนี้ไม่นานเนี่ยสำคัญมากเพื่อที่จะทําให้เขาได้เตรียมใจและเพื่อที่ทําให้คนอื่นได้มาเตรียมใจด้วยนะก้อนเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหลักการข้อค่าวอยู่3ประการ4ประการที่จะที่จะช่วยในเรื่องการแนะนําผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้ นะก็ออพูดสั้นๆตรงนี้ก่อนนี่ทราบจะมีคำถามนะคะขอเส้นในเวาถามนี่คะ่ะวันนี้เราลงปฏิบัติจริงเลยแล้วกันนะคะ